และสาขาที่2วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รังสิตปากทางเข้าเมืองเอกสอบถามเพิ่มเติม0 2 5ย์สอง3 3สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิตโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีให้บริการตรวจรักษา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 592-1991 เพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลกรับฟังข่าวเชิงสร้างสรรค์เติมฝันปั้นแรงบันดันใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูด้ดำเนินรายการวชรินพันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ม กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันวัชรินคณชามารับหน้าที่เป็นเรื่องเป็นราวในช่วงนี้ประมาณ30นาทีโดยประมาณนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา18นากานาทีไปจนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะ เรื่องเป็นช่วงเวลาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่จะหยิบเรื่องเล่าดีๆเรื่องราวดีๆในประเทศและต่างประเทศจากท่วทุกมุมโลกเนี่ยมาฟังแล้วก็เล่าสู่กันฟังแบบสร้างแรงบันดาลใจนะคะนั่นหมายความว่าคุณผู้ฟังส0สนาทีต่อจากนี้ไปเนี่ยหายใจลึกๆนะคะจะได้รับกำลังใจ จากรายการของเรานะคะโดยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงอยากเล่าก็จะเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเป็นความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะส่วนช่วงที่สองเนี่ยก็จะเป็นช่วงอยากรู้ก็จะเป็นเรื่องเล่าจากต่างประเทศนะคะเรื่องเล่าเอ่อเรื่องอยากเล่าในวันนี้ในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องที่งานวิจัยชิ้นหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามีความเชื่อที่เกี่ยวกับไอโอดีเนี่ยเป็นความเชื่อผิดๆนะคะถ้าเกิดรับน้อยไปก็จะมีผลต่อสมองเลยนะ เราเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดกินไอโอดีนมากไปจะเป็นโรคไตแน่นอนเป็นโรคไตแน่ถ้าเกิดเรากินลดจัดด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของรสเค็มอย่างเดียวนะคะโดยสสสเนี่ยเขาก็ร่วมกับกรมอนามัยก็เป็นห่วงว่าคนไทยกินไอโอดีนไม่พอนะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะเป็นอีกมุมหนึ่งกินไม่พอนะคะก็มาจากความเชื่อผิดๆนะคะที่เตือนกันถึงผลกระทบต่อการสุ่มเสี่ยงทั้งร่างกายแล้วก็สมองโดยเฉพาะสมองของทุกวัยหญิงตั้งครรภ์นเนี่ย เกิดอาการแท้งได้หรือว่าทำให้เด็กพิการ IQ ต่ำกว่าปกติ30จุดชี้คนชนบทหรือก็เขตเมืองมีสิทธิ์กินไอโอดีนเนี่ยไม่พอได้เท่าๆกันนะคะดยสารไอโอดีนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสำคัญสำหรับทุกช่งวงวัยนะคะโดยถ้าเกิดหัขาดมาแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อความบกพร่องทางด้านพัฒนาการสมองนะคะถ้าวันไหนคุณเออๆเนี่ยไม่รู้ว่าถ้ากินไอโอดีนเข้าไปช่วยมันจะช่วยได้ทันไหม อาจจะไม่ใช่นะคะก็คือมีผลต่อสมองทําให้ร่างกายเตี้ยแรกรกันนะคะโดยคุณสง่าดามาพงศ์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ชนาการและก็ผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอ ส, สแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของกรมอนามายัยกระทรวงสาธนารณสุขเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีนซึ่งที่พบบ่อยเนี่ยเราจะถูกสอนว่ากินไอโอดีนขาดแล้วเนี่ย เป็นแค่ขอหอยพอกนะคะกินไม่พอแล้วเป็นแค่ขอหอยพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกระทบถึง IQ เลยนะคะหรือเรื่องที่2ก็คือเด็กเท่านั้นที่ต้องการไอโอดีนผู้ใหญ่ไม่มีความจําเป็นแล้วไม่ต้องกินไอโอดีนนะคะ 3. คนชนบทเท่านั้นที่ขาดไอโอดีนส่วนคนในเมืองน่ะไม่ขาดไม่ใช่นะคะ4ก็คือเกลือทะเลมีไอโอดีนที่เพียงพอต่อความต้องการความเชื่อที่5้ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะคือเกลือไอโอดีนเนี่ยเค็มกว่าเกลือธรรมดา ความเชื่อผิดๆข้อที่6ก็คือใช้เกลือไอโอดีนดองผักแล้วทำปลาล่าจะทําให้สีของอาหารไม่สวยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันนะคะความเชื่อผิดๆที่เจ็เกี่ยวกับไอโอดีนก็คือกินอาหารทะเลก็ทดแทนเกลือไอโอดีนได้สุดท้ายก็คือคนไทยน้อยมากที่รู้ว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอเนี่ยได้ออกประกาศเป็นกฎหมายที่กําหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสต้องเสริมไอโอดีนอันนี้เป็นความ เชื่อที่ผิดหรือคนไทยรู้น้อยมากนะคะว่าอยเนี่ยเขาเข้าไปมีมาตรการและเกณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมาดูในเรื่องของการเสริมไอโดีนมาดูเรื่องแรกก่อนเรื่องที่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องการไอโดีแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณสงหาบอกว่าร่างกายของผู้ใหญ่เนี่ยยังต้องการไอโดีอยู่นะต้องการอยู่ที่150ไมโครกรัมต่อวันหรือถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้าคิดง่ายๆเลยก็คือกินปลาทูเนืช้อนโต๊ะ โอ้โหถ้ากินปลาทูนึ่งอย่างเดียวน่าจะ21ช้อนโต๊ะเนี่ยปลา1ตัวก็น่าจะได้ประมาณสัก5ช้อนโต๊ะนั่นหมายความว่าต้องกินปลาทูนึง่งประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณสัก 3-4 ตัวนะต่อวันส่วนหญิงมีครรภ์นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องรับไอโอดีนเพิ่มในวันละ25ิไมโครกรัมหญิงให้นมบุตรต้องเพิ่มอีก50ไมโครกรัมเพราะว่าหากขาดไอโอดีนแล้วเนี่ยจะมีผลต่อ IQ ของเด็กในท้องนะคะโดย เฉพาะด้านพัฒนาการด้านสมองในช่วงที่เป็นตัวอ่อนอายุ8สัปดาห์ถึง3ปีเนี่ยจะมีสติปัญญาด้อยนะคะแล้วก็มี IQ คต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถึง30จุดในปัจจุบันเนี่ยประชาชนนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านค่ะหากผู้ประกอบการร้านอาหารเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีนประชาชนก็จะนิยมรับประทานอาหารเลือกใช้เกลื อ, อเสริมไอโอดีนนะคะผู้บริโภคก็จะรับสารไอโอดีนที่เพียงพอแลวก็เหมาะสม ในวัยผู้ใหญ่ไอโอดีนควรจะควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็ระบบเมตาบอลิซึมหรือควบคุมการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายนะคะเช่นเร่งการสลายของไขมันเร่งการสลายของไกลโคเจนมีผลต่อการสร้างพลังงานและอุณหภูมิของร่างกายหากขาดไอโอดีนก็จะมีภาวะไทรอยฮอร์โมนต่ําเกิดอาการอ่อนเพลียเฉืชยชาประสิทธิภาพในการทํางานลดลงนะคะซึ่งเป็นได้ทั้งคนในชนบทแล้วก็เขตเมืองหากคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงห่างไกลทะเลก็ยิ่งต้อง เสริมเกลือแอลดีนเข้าไปให้เพียงพอนะคะอันนี้ทางาคุณสง่าได้ให้ข้อมูลนะคะนี่เป็นเรื่องใหม่เลยนะที่เราได้รู้ว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดกินเกลือน้อยไปอาจจะทำให้อ่อนเพลียได้นะคะโดยต่อวันเนี่ยควรบริโภคโซเดียมอันนี้คือโซเดียมนะคะ โซเดียมเนี่ยประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือที่ใช้ปรุงอาหารไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลกกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปลดกินเคม็มลดกินเกลือเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊เรากินเค็มจริงไหมลดไปแล้วเกิดมันมีผลกระทบต่อร่างกายเนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะคะอีกเรื่องนึงไหนๆก็คุยในเรื่องของออยแล้วนะคะออยเขาบอกว่า<ม>ไอ้ขนมจีนกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ในท้องตลาดนะคะจากการสุ่มตรวจเนี่ยพบว่ามันไม่ได้ใช้วัตถุ ก, กันเสียเกินมาตรฐานนะคะโดยออยเนี่ยเขาจับมือกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มตรวจขนมจีแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่หน่าพอใจค่ะเพราะว่าใช้วัตถุ ก, กันเสียไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะแล้วก็ผู้ผลิตเนี่ยย้ำว่าผู้ผลิต หากใส่วัตถุกการเสียเนี่ยต้องระบุบนฉลากเพราะฉะนั้นเราในฐนานะผู้บริโภคเราสามารถดูได้นะคะว่าบนฉลากเนี่ยเขาเใส่วัตถุกการเสียกเสียไว้แค่ไหนอย่างไรข้อมูลนี้เปิดเผยโดยในแพทย์ทะเรศกร ร, กรสนยัยรวิวงศ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็กถแถลงกับสื่อมวลชนนะคะว่าได้ทางออยอเนี่ยได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามแล้วก็เฝ้าระวังการใช้ วัตถุ ก, กันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสดมาต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็ยังช่วยในการที่จะอนุเคราะห์ในการติดตามเฝ้าระวังวัตถุ ก, กันเสียในเส้นขนมจีนมั้งแต่ปี2 5งนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยล่าสุดออยอ ก, ก็ได้สุ่มตรวจละนะคะโดยขนมจีนขนมเส้นก๋วยเตี๋ยวสดในช่วงระหว่างปี2อ6 0ถึงเนี่ยพบ จำนวนผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านมาตรฐานลดลงค่ะปริมาณวัตถุการเสียกรดเบนโซอิกสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะตอนนี้ก็คือลดลงละเก่าในเก่าคือคืนในปี 2,560 เนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 9.4 แต่ปีนี้ปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมาสองเเนี่ยผ่านมาตรฐานทั้งหมดแล้วก็ปัจจุบันมีการพัฒนาชุดทดสอบให้ง่ายขึ้น วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นตรวจวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นในปีนี้ปี 2,562 ัาอยกอก็ได้นำมาใช้ร่วมกับการส่งตรวจในห้องปฏิบัติการแล้วก็ครอบคลุมจำนวนผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นโดยตรวจทั้งหมด230ตัวอย่างนะคะก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาผลตรวจออกมาก็พบว่ามีไม่ผ่านมาตรฐานเพียงร้อยละ 1. จุดสามนะคะซึ่งทางออยก็ได้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปแล้วจำนวน3รายแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีจำนวน4รายนะคะโดยนางสาวสาวรีอองสมหวังเลยค่ะที่การบูลณิธิเพื่อผู้บริโภคก็บอกว่าผลทดสอบวัตถุการเสียประเภทกรดเบนโซอีกในตัวอย่างเส้นขนมจีนทั้งหมด31ตัวอย่างที่เก็บเนี่ยเก็บมาต่อเนื่องค่ะเป็นครั้งที่3โดยศูนย์ทดสอบ ฉลาดซื้อของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยสุ่มตัวอย่างตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีหกสองปีที่ผ่านมานี่คะ่ะพบว่ามีขนมจีนเพียงสองยี่ห้อนะคะคิดเป็นทั้งหมดจากตัวอย่างเนี่ยคิดเป็นร้อยละหที่ไม่ผ่านนะคะโดยภาพรวมถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นจากครั้งแรกที่ตรวจพบสารกันบูดเกินมาตรฐานสองยี่ห้อจากสิบสองยี่ห้อตอนนั้นก็คือถือว่าเป็นร้อยละสิบเจ็ดนะคะข้อมูล ตรงนี้เนี่ยค่ะให้ให้อะไรกับเราบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้ยินมาหนึ่งนืองนะคะว่าอืเส้นขนมจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ขายในท้องตลาดเนี่ยมันมันมันมีสารกันบูดใช้สารกันบูดเยอะนะคะมันอันตรายมันน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะผู้บริโภคสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้และนี่คือดูที่ฉลากเลยดูที่ฉลากเลยว่าหนึ่งเขาผลิตตั้งแต่วันไหน ไม่ใช่เราแบบว่าเขาผลิตกันตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามาซื้อทีน่นี้อันนี้เราก็ต้องป้องกันตัวก่อนนะคะก็คือ1ดูที่ฉลากวันผลิตวันหมดอายุนะคะแล้วก็สองคือดูขนาดปริมาณปริมาณหรือปริมาตรเนี่ยว่าเขาเองนั้นใช้วัตถุกันเสียเนี่ยเกินมาตรฐานที่กําหนดไหมวัตถุปริมาณวัตถุกันเสีย ที่ชื่อว่ากรดเบนโซอิกเนี่ยสูงสุดที่อนุญาตตามออยอนุญาตเนี่ยไม่เกิน 1,000 พันมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมนั่นหมายความว่ า, าต้องไปเทียบอัตราส่วนเอาว่าในในในหนึ่งในแพ็คหนึ่งกล่องของคุณเนี่ยมันมันระบุไหมว่าไอสารการบูตตัวเนี้ยมันมีปริมาตรเกินกว่าการอนุญาตของออยนะคะแล้วก็ ทางอยอก็แนะนำด้วยนะคะว่ า, าผู้ผลิตให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะดำเนินการกับ โครงการเพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแสดงฉลากที่ถูกต้องนะคะคือหมายความว่าคือนอกจากให้ความรู้แก่ผู้บริโภคแล้วเนี่ยทางออยออ ก, ก็จะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้วยเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะมีคําถามว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดบางอันที่มันเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่เขาไม่ได้ระบุเราจะทํำยังไงคือตอนนี้ภาครัฐเองก็ดําเนินการที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแสดงฉลากด้วยนะคะรวมถึงประชาสัมพันธ์แก่ผู้รบริโภคให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้วัตถุเจือปนอาหารเกินกว่ามาตรฐานมีโทษปรับส0 0 0มบาทค่ะไม่เกินส0 0 0มบาทนะคะแล้วก็เพราะว่ามีการใช้วัตถุการเสียในปริมาณมากจนเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ก็จำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0ืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนกรณีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขว่าด้วยเรื่องของการแสดงฉลากของอาหารใน ภาชนะบรรจุมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทนะคะถ้าเกิดพบเห็นหรือมีความสงสัยยังไงก็ลองหาข้อมูลดูนะคะมีสายด่วนของออย อ, อยู่นะคะเข้าไปหาได้นะคะวันนี้ไม่ได้หาหมาฝากนะคะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาในช่วงหน้าช่วงอยากรู้มีเรื่องราวน่าสนใจจากอีกซีกประเทศหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังพักครู่เดียวค่ะ พอความรักเธอเริ่มต้นชายทุกคนลีงไปเหตุอันใดเธอเคยคิดดูหรือไมใครลองกรอบตัวเองตั้งขอบแม่รักเสียมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดังเช่นดเกมกธอวางไม่ใครบ้าง เธอเธห็นใครยดยถึงต้องหลอกตัวเองใจเธอเองคิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอเต็มใจแต่กลัวเรกรดเธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็นชำ้ำกลัวฝนทำเธอเปียกปอนไปหากเธอคิดตบครัดงที่ชื่นชำ้ำอย่ามวัวทำตัวเองมืดมน อย่ากลัวฝนเพระนมันเย็นชำ่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิลองคิดดูลองหาทางสู่กับฝนทองฟ้าใสยามผนสาแยกปอนกันมากลับแหงไป ความรักนั้นต้องมั่นใจปากใจให้รักชักนำหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชมอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝน เย็นชำ่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู่กับฝนท้องฟ้าใสยามฝนซาเรียร์อนกันมากับแท้งไปความรักนั้นต้องมั่นใจ ปากใจให้รักชาดดำหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชมอย่ามัวทำตัวเองเมตฝนอย่าครัวฝนครัวฝนเป็นเยนช้ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชมอย่ามัวทำตัวเองเมตผนอย่าครัวฝน เมืนงเย็นช่ำอย่ามัวท กำลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเป็นเรื่องเป็นราวนะคะช่วงที่สองนี้เป็นช่วงอยากรู้นะคะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ไกลค่ะไม่ไกลอยู่ในทวีปเอเชียนี่แหละ <c oughs> เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังที่ติดตามในเรื่องของอการบ้านการเมืองเรื่องสึ่งของเศรษฐกษิจเนี่ยปลาย ปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำของเราเนี่ยได้นำคณะเข้าร่วมประชุม G20 กลุ่มประเทศ G20 ที่โอซาก้าซัมมินะคะผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวประเด็นที่เป็นประโยชน์เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะ เ, เราจะได้ยินว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในระยะหลังเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมหรือเป็นเจ้าภาพสำคัญสคัญในเวทีโลกเนี่ยหลายๆครั้งนะคะโดย ปี 2,563 ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกซึ่งคาดว่าทางทางสำนัก ง, งานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่า JTA เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของอมารตรการในการที่จะช่วยลดความแออัดการสัญจรในช่วงกีฬาโอลิมปิกนะคะเขาก็เลยกำหนดเป็นมารตรการี่เพื่อที่จะ เรียกว่าสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทเอกชนเรียกว่าวันทำงานทางไกลคือสามารถทำงานจากที่บ้านเนี่ยทำงานได้นะคะนโยบายนี้เนี่ยก็ได้ถูกส่งต่อไปยังภาคเอกชนนะคะโดยสำนัก ง, งานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่า JTA เนี่ยเขาก็คาดว่าในช่วงกีฬาโอลิมปิกในปี2563เนี่ยที่จะจัดขึ้นเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นทั้งหมดเนี่ย ประมาณ40ล้านคนจะสร้างรายได้ประมาณ8ล้านล้านเยนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2558ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 3.3 ล้านล้านเยนเนี่ยก็ในตอนนั้นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 19.7 ล้านเยนเราจะเห็นทัวญี่ปุ่นทัวไฟไหมอะไรประเทศไทยหรือรวมถึงหลายหภูมิภาคในญี่ปุ่นนะประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยนีย่ชอบไปญี่ปุ่นมากนะคะเพราะว่าอาหารกินได้นะคะแล้วก็ มีสายการบินที่บินตรงในหลายที่ทำให้การเดินทางนั้นสะดวกขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่การไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ยช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ดีมากเลยนะคะโดย <ST AN Z> เมืองทั้งหมดที่จะ เป็นสถานที่ในการจัดกีฬาโอลิมปิกในปี2563นั้นมีทั้งหมดประมาณ50มือที่ใช้ในการจัดการแข่งขันนะคะโดยจะมีทั้งโอลิมปิกและก็พาราลิมปิกเนี่ยสองรายการนี้เ็าจะไปคู่กันนั่นหมายความว่าปี63เนี่ยกีฬาสองรายการนี้จะไปจัดที่นั่นก็เลยทำให้ช่วงนั้นเนี่ยกรุงโตเกียวในช่วงฤดูร้อนปีนั้นเนี่ยบรรดาพวกบริษัท ห้างร้านเอกชนต่างๆ เ, เขาก็เริ่มที่จะรณรงค์ให้พนักงานเนี่ยทำงานจากที่บ้านเพื่อที่จะลดความแออัดในเมืองหลวงนะคะแล้วก็มีมาตรการต่างๆมาดูกันว่ามีมีบริษัทไหนบ้างที่ตอบรับนะคะก็มีบริษัทดิกโกค่ะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สํานักงานชื่อดังก็ตัดสินใจที่จะปิดสํานักงานใหญ่ในแขวงโอตะของกรุงโตเกียวเป็นเวลา2 ส, สัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแข่งขันโอลิมปิก 2020นะคะก็จะมีลูกจ้างประมาณ 2,000 คนสามารถทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆยกเว้นคนที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องไปออฟฟิศด้วยเหตุผลบางประการเช่นมีนัดประชุมกับลูกค้าหรือว่าทดสอบผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ยังต้องเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศอยู่นะคะเป็นความพร้อมที่ลิโกเนี่ยเขาร่วมแคมเปญ น, นี้ที่รัฐบาลญี่ปุ่นออกมานั่นคือวันทางานทางไกลนะคะจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกนรกฎาคมนี้ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โอลิมปิกเปิดฉากขึ้นในปีหน้านะคะบริษัทก็จะตั้งจุดทำงานผ่านดาวเทียมบริเวณใกล้กับสำนักงานแล้วก็สำนักงานหลักแห่งอื่นๆ ส่วนในธุรกิจอื่นๆก็จะใช้วันทํางานทางไกลในการทดสอบกลยุทธ์รับมือมหกรรมโอลิมปิกด้วยอย่างเช่นพนัก ง, งานของบริษัท i t NEC นะคะบริษัทนี้เนี่ยมีพนัก ง, งานอยู่ประมาณ3 4มจุดหมื่นคนจากทั้งหมด 60,000 คนที่สามารถทํางานทางไกลได้ครึ่งครึ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังครึ่ ง, ค ร, งครึ่งที่ไม่ต้องไปผจนกับการเดินทางสัญจรที่แออัดโตเกียวนี่ก่เดินทางแออัดมากนะคุณผู้ฟังท่านในช่วงพรามไทมที่เป็นช่วงเร่งด่วนตอนช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนี้แทบจะบอกว่า ต้องมีพนักงานผักเข้าประตูรถไฟใต้ดินเขาอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจำนวน 3.4 หมื่นคนของบริษัท NEC เนี่ยสามารถทำงานจากที่บ้านได้พวกเขาเนี่ยได้รับอนุญาตให้ทำงานจากบ้านเป็นเวลา5วันติดต่อกันโดยสามารถเข้าสถานที่ทำงานผ่านดาวเทียมที่บริษัทเนี่ยได้จัดไว้ตามที่ต้องการสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โตเกียวนะคะ ส่วนพนักงานขายที่จะไปพบลูกค้าด้วยตัวเองเลยก็ไม่ต้องแวะเข้าออฟฟิศค่ะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายลดข้อต่อของการเดินทางนะคะส่วนทางด้านฟูจิสึค่ะกลุ่มไอทีรายใหญ่ของญี่ปุ่นก็มีแผนที่จะตั้งสํานัก ง, งานทํางานผ่านดาวเทียมช่วคราวสีจุดในกรุงโตเกียวระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกปี2020โดยจะให้พนักงานประมาณ 10,000 คนทํางานทางไกล5วันติดต่อกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางเอ็กเซนซบริษัทจัดห า, า ง, งาน o u าซอร์ Out ก็จะสนับสนุนพนัก ง, งานลาพักร้อนช่วงนั้นไปเลยไม่ต้องมาคุณไม่ต้องมาช่วงนั้นนะคะลาพักร้อนในช่วงโอลิมปิกไปเลยนะคะส่วนผู้ผลิตระบบ IT อย่าง ACSK NTT d a ค a ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางบ s t o n นก็กำลังหาทางออกที่คล้ายกันนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะหมายความว่าไม่เกิดประโยชน์ตรงที่ว่ากว่าจะมาทางานได้คือพนัก ง, งานต้องมาในสภาพที่ต้องวางแผนการทางานแบบ เผชิญะเผชิญหน้ากับการจราจรที่แออัดการเบียดเสียดเย็ดยัดกันบนรถไฟซึ่งมันก็เป็นภาพที่มันทุลักทุเลพอสมควรว่าจะไปเริ่มต้นวันใหม่ยังไงนะคะส่วนทางด้านซูบารุนะคะค่ายรถชื่อดังก็ตั้งเป้าที่จะเริ่มใช้ทางเลือกนี้ในการทำงานรวมถึงการทำงานทางไกลยอย่างเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแม้กระทั่ ง, งพานาโซนิกเองเนี่ยซึ่งเป็นบริษัท ายใหญ่ในโอซาก้าก็เรียกร้องให้ลูกจ้างทุกคนในญี่ปุ่นลองทำงานจากที่บ้านดูก่อนหรือเลือกเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนให้มากที่สุดเพื่อที่จะลองดูซิว่าถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการหมดการทำงานจากที่บ้านแล้วเนี่ยมันจะช่วยไหมเพื่อที่ การทำงานทางไกลจะกลายเป็นเรื่องที่คุ้นกับคนญี่ปุ่นมากขึ้นผลสำรวจของรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่า 19.1% บริษัททั่วประเทศเนี่ยกำลังเพิ่มทางเลือกนี้ให้แก่พนักงานของตนนะคะในปี2561หรือเพิ่มขึ้นเป็น 5.25% จากปีก่อนขณะที่บริษัทอีก 7.2 กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในเรื่องนี้แคมเปญวันทำงานทางไกลของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะมีมีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทำงานจากที่บ้านกันมากขึ้น โดยเมื่อปี2561เนี่ยมี 1,700 กลุ่มแล้วก็มีพนักงาน3 0 0 0คนเข้าร่วมแคมเปญนี้มีรายงานว่าช่วยลดจำนวนผู้สัญจรใน23แขวงของกรุงโตเกียวลงได้ถึง4แสนคนไม่ใช่น้อยนะนั่นคือเม็ดเงินที่สูญไปกับการเดินทางแต่ปริมาณของงานก็ยังเท่าเดิมนะคะ ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงติดอันดับ9ของโลกนะคะสูงที่สุดในเอเชียซึ่งดัชนีค่าครองชีพอยู่ที่ประมาณ 88.45 จุดโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลไม่รวมค่าเช่าที่พักอาศัยอยู่ที่ 3.5 หมื่นบาทต่อเดือนนะคะนี่ยังไม่รวมค่าเช่านะนี่คือค่าใช้ค่าจ่ายค่ากินอยู่อย่างเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่บ้านเราน่าจะเอามาทําบ้างเนาะนะคะในงานที่ไม่ต้อง ไม่ต้องประชุมกันบ่อยประชุมเดี๋ยวนี้เขาก็มีประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนาะนะคะมาดูในบ้านเราบ้าง น, นะคะเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีรถติดเป็นอันดับโลกอันดับหนึ่งของโลกนะคะคนคนขับรถในกรุงเทพจะใช้เวลาในการเดินทางสัญจรไปจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะติดขัดเฉลี่ยสูงสุด64สจุดชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลในปี2018นะคะส่วนข้อมูลจาก Inlyx Global Traffic นะคะสกอการ์ดบริษัทที่จะทำการวัดผลการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเวลาอื่นๆในแต่ละวันของ1360มืองทั่วโเมืองทั่วโลกนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการจราจรติดขัดมากที่สุดในโลกโดยเสียเวลาเฉลี่ย56ชั่วโมงต่อปี56ชั่วโมงต่อปีเลยนะคุณผู้ฟังที่จะอยู่บนรถติดบนอยู่นยบนถนนเนี่ยส่วนอินโดนีเซียรองลงมาค่ะ51ชั่วโมงโคลมเบีย 49ชั่วโมงเวเนซุเอล่า42ชั่วโมงสหรัฐแล้วก็รัสเซียเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ41ชั่วโมงโอ้เราทำอะไรกันบนท้องถนนเนาะนานมากนะคุณผู้ฟังคะก็อยากจะให้หลายองค์กรเนาะไปออกแบบการทำงานที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งตัวองค์กรเองที่จะไม่สูญเสียทรัพยากรในเรื่องของเวลาในการเดินทางมาทำงานหรือ ตัวของพนักงานเองที่จะไม่ต้องมีต้นทุนการเดินทางและใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เนี่ยสูงเกินไปนะคะก็เป็นเรื่องดีๆที่น่าจะเอามาประยุกต์และปรับใช้ในบ้านเรากันได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่หยิบมาเล่าเอามาฝากกันในช่วงเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดของวันนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฝากเรื่องราวดีๆเรายินดีที่เป็นช่องทางสื่อสารเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่อยากจะหยิบ เรื่องดีๆมาฝากกันนะคะผ่านทางแฟนเพจของ Facebook วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีหรือว่าทางแฟนเพจของดิฉันนะคะเรื่องเล่าเป็นเรื่องนะคะฝากไว้นะคะแล้วก็จะหยิบนํามาเล่าเอามาฝากกันสําหรับวันนี้ดิฉันวัชรินทร์คันทชาลาไปก่อนสวัสดีค่ะคนผู้ฟังสา ม, มารถติดตามรับฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18บแนาฬินาทีทาง f m ฟ9 5็มแเมเก รับฟังยอดหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กวิทยุราชมงคลธ